ท่นจะมีความลึกคิดอย่างนั้นทํำในเราจะมีบทฝึกหัดที่นานที่สุดมากที่สุดเพราะท่านผ่านมาก่อนท่านมีประสบการณ์มาก่อน<ม>สดมากจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าหากเราทํำตามลําพังเนี่ยเราทําตามลําพันเนี่ยบางทีความแข็งแกร่งในใจของเราเนี่ยมันจะแข็งเท่า ก, กิเลสข้างในมั้นล่ะเดี๋ยวกิเลสมันกลองแล้วเดินานานแล้วนั่งนานแล้ว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 มันเป็นนั่นเดงเนื่องจากว่ากายมันอยากพักจิตมันอยากพักเราไปเดินหมุนให้มันจนพอแรงแล้วถ้าเกิดตัวากายก็เอาจนกายเหนื่อยถ้าเกิดจิตก็เอาจนจิตเหนื่อยพอเวลาเรามาเริ่มหย่อนตัวลงนั่งท่านั้นเองมันพร้อมที่สงบวุ่นวาพปุ๊พับขึ้นมาทันทีแต่มันพร้อมที่จะปล่อยที่จะวางนียเราเราลองพิจารณาดูที่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 เรื่องเรื่องการศึกษาถามเรื่องการปฏิบัติเท่าเรื่องการตอกก่อนกากักขีเลห์มันต้องมีทีเด็ดทีใครทีมันทีใครทีเราหลวงตาท่านพูดต่อเดินตายมาทั้งนั้นแหละครูบาอาจายรย์แต่ละองค์แต่หลวงตาเดินตายมาทั้งนั้นฟังได้ว่าเดียนตายเป็นไงถึง ว, ว่าเดียนตายท่านสละตายมาด้วย ก, วยการทั้งนั้นแุลต่านตายด้วยด้วยการมาทางนั้นเรียวจะขาดก็ขาดไปขาดจะหลุดก็หลุดไปเอามาพาด อามาพึกมาผัดกินกับทิ้งมันไปเลยเหมันเลยนั่นถิงว่าสละตายเดียนตายถึงขั้นนั้นโอกาสที่เราจะผ่านไปแล้วเข้าถึงทำได้มันเป็นการที่เข้าไปถึงได้ยากมันเหมือนกับรูที่เราจะลอดไปเป็นรูเล็กๆทําไงเราจะพยายามทําตัวยังไงทําใจของเราละเอียดยังไงมันถึงจะเข้าไปถึงจุดนั้นได้ใจของเรายังอยาบอยู่เนี่ย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 จากความลุ่มหลมของกิเลสมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเข้าใจได้ยากมากอันนี้ยิ่งละเอียดเข้าไปละเอียดเหมือนกับซึมซับเข้าไปเลยอ่ะมันไม่ใช่รูเสียแล้วทัลลักษณะของความสงบถ้าเราจะเทียบกันเมื่อกว่าเป็นช่องเล็กๆสำหรับที่เราจะลอดเข้าไปได้แต่เป็นเรื่องของปัญญาแล้วไม่ใช่ช่องเสียแล้วมันกลายเป็นสิ่งซึมมันกลายเป็นสิ่งซึมถ้าเป็นไม้กับเนื้อพุนน้ําซึมผ่านไปได้ ถ้าเป็นผ้ากระรูผุ่นน้ำซึมเข้าไปได้ทีนี้ไอ้ปัญญาญานเนี่ยปัญญาญานไปในใจเนี่ยทีแรกเราก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องคลิกแพลงเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความรอบคอบเราทําได้ทำเท่าไหร่ก็ทําได้แต่ถ้ า, ายานความอย่างซึมซื่อบทราบเข้าไปยังไม่ปรากฏโอกาสที่ตั้หาอุ ป, ปาทานเนี่ยมันจะชะลอตัวหรือมันจะลดตัวหรือมันจะงดตัว หรือมันจะหดตัวหายเงียบไปมันมีไม่ได้มันเป็นไม่ได้ความจริงยังไม่ปรากฏชัดเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์เรก็ทําไปเรากะไม่ได้เราเกณฑ์ไม่ได้แต่เรามีหน้าทีท่ทาสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นเองคือผลรายได้จะพึงปรากฏขึ้นที่จิตเรามาเทียบดูการเวลาที่เราทํากับผลงานที่จะพึงปรากฏเราเทียบไม่ได้เราทําเป็นวันบาคนก็เกิดเราทําเป็นคืนเราทําเป็น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 เอาเป็นอาตายแรกอันนี้คือท่านพูดถึงเพดานที่เราจะร้งจะเข้าใจทั่วถึงอัตธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปโทษนุนโทษนีทษนท่ทำยากทำลำบากทำผิดทำถูกทำอะไรเราเอาเรามาเทียบดูตรงนี้เรามาเทียบดูเหตุที่เราประกอบอยู่แค่นี้ขนาดนี้กับผลร้ายได้ที่เราจะพึงมีอย่างพึงพอใจเนี่ยขนาดนี้ยังไม่สมใจยังไม่พอใจขนาดนี้ยังไม่สมใจยังไม่พอใจบางทีเราก็หมายเอาแต่ผล ความไม่ไม่มีไม่เกิดนั่นเป็นแต่เราลืมมาพิจารณาให้ครวญถึงเหตุที่เราประกอบลงไปผลที่จะพึงเกิดเกิดขึ้นในทางธรรมนี่มันเป็นผลที่ปรากฏเองเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นประสัจากการเจตนาเกิดขึ้นเพราะจัจความจงใจตราบใดยังมีเจตนาอยู่จะเป็นสมาธิก็ตามจะเป็นขั้นปัญญาก็ตามตราบใดยังมีเจตนาอยู่ตราบใดยังมีความจงใจอยู่ญาณทัศน์นี่จะเกิดขึ้นไม่ได้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 คือจะต้องเกิดขึ้นประสิทจากความเจตนาประสิทจากความจงใจตราบใดที่ยังมีเจตนาอยู่เช่นอย่างเราพิจารณาเนี่ยพิจารณาอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาเราพิจารณาไปความสงบเราก็ทําความสงบไปเราพิจารณาทางด้ปัญญาเเราก็พิจารณาไปพิจารณาไปตราบใดที่เรายังพิจารณาอยู่ยังใช้เจตนาจงใจพิจารณาอยู่พิจารณาไปเท่าไหร يم, ่ไปเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในขั้นที่ว่า คนคิดพิดจารณาหรือเราพูดง่ายๆว่าเราใช้ปัญญามันยังเป็นขั้นปัญญาอยู่ต่อว่าทําไปทําไปทําไปทําไปจนมันเกิดขึ้นเองผลลายได้จากการที่เราทําเกิดขึ้นเองเป็นปัญญายานั่นแหละคือผลที่ปรากฏขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องที่จะมาปรับจิตปรับใจของเราเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยปักใจเชื่อร้อยเอร์เซนโอ้อันนีจ้จริงจริงๆโอ้ทุกขังจริงๆโอ้อนัตตาจริงๆ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 เราเป็นคนข ย, ยันหมั่นเพียรเราเป็นคนกําหนดจดจอ่อความรู้ขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้ผลได้ผลเร็วได้ผลเร็วขึ้นทีนี้โอกาสที่เราจะอยู่ในปัจจุบันได้เยอะเราไปอาศัยแต่ความนึกคิดธรรมดาโดยที่เราไม่อาศัยสมาธิมันเป็นไปไิ้ยากมันไม่ต่างอะไรกับเราจับเสือมือเปล่าโอกาสที่เราจะแพ้มันเนี่ย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 การที่เราเก้าวไปดิเราจะต้องไคร่ควรวญให้ถี่ท่วนก้าวถูกหรือก้าวผิดก้าวไปยังไงก้าวถูกหรือก้าวผิดการพิจารณาไคร่ควรวญเพื่อที่จะให้เห็นอนนี้อางทุกครั้งนั้นตาก็เช่นเดียวกันนี่แหละตราบใดที่เรายังไม่ก้าวไปเราก็สมควรที่จะยืนอยู่กับที่ไคร่ควรวญอยู่กับที่มีหมายความว่าเราถอยมาแล้วถอยมาแล้วก็มาอยู่กับความสงบของจิตมีจิตเป็นพื้นมีจิตเป็นบาตรมีจิตเป็นฐานเพราะฉะนั้นท่านจึงว่า สมาธิหนุนปัญญาหนุนปัญญาหนุนอย่างนี้สมาธิความแนบแน่นของจิตเนี่ยเราทําไงเราถึงจะได้ครับความแนบแน่นได้โดยเร็วถ้าเราทิ้งความปรึกษาพยายามทิ้งความขยันมันเพียรทิ้งความอดทิ้งความทนทิ้งความกําหนดจดจ่อทิ้งความเอาเป็นเอาตายแรกันมีโอกาสไปถึงยากไปถึงอยู่จะนานมากไปถึงยากนี่เป็นข้อเป็นข้อเปรียบเทียบถ้าเรามองไมเหตุความสําคัญของสมาธิ แต่เราพยายามจะปลุกปล้ากับกิเลสเนี่ยยกเว้นประเภทพวกขิ้ปลาพิญญาโลตาที่ว่าพวกมนุษย์ได้เร็วเป็นพวกที่ประเภทสร้างเสริมบารมีมาม า, มากแล้วเป็นผู้ที่มีความสงบแน่นห น, นามั่นคงภายในจิตมามากต่อมากแล้วเช่นอย่างพระอาหารในสมัยพุทกาลนะท่ามนมนุษย์เป็นพระอาหารตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนี่ก็ท่านสร้างเสริมท่านสร้างสงอบรมภายในหัวใจของท่านมา มากต่อมากแล้วถ้าเป็นผลไม้ก็เริ่มสุกงอมมาเรื่อยสุกมาเรื่อยสุกมาเรื่อยสุกมาเรื่อยก็จะหลุดจากขั้วเหมอนนั้นเด็พอมีคนมากระตุกซะหน่อยหนึ่งเหมือนกับว่ามีผู้ดีเจ้ามาเทศเคลียร์ให้ซะนิดหนึ่งตาที่เคยมืดบอดมาหนึ่งเหมือนมีมีที่ฝุ่นก้อนเดียวค้างอยู่ที่ตาถ้ามาเคลียร์ที่ฝุ่นก้อนเดียวให้เรโร่ถ้าเราจะเที่ยวเหมือนกับมะม่วงสุกงอม จ, จะหลุดจะหลุดแลยไม่หลุดเลยจะขั้วน บางทีมีลมไหวมาเฉยๆนิดหน่อยก็ร่วงนะมีอะไรมาถูกขย่านิดหน่อยก็ร่วงนียมีเหตุมากระทบนิดหน่อยก็ร่วงนะมีผู้ที่มีบารมีมากเพราะฉะนั้นพระอรหันต์สมัยนั้นจึงมีผู้ที่ฟังปุ๊บบรรลุปั๊บมีเต็มอย่างพระพาหิยะนี่ประเภทขีปนาิญญาท่านฟังปุ๊บท่านบรรลุปั๊บเรื่องจากว่าอะไร เรื่อว่าชาติก่อนนั้นน่ยท่านบําเพ็ญเอาเป็นเอาตายบำเพ็ญเอาเป็นเอาตายมูเพื่อนของท่านน่ยไปเกิดบนสวรชั้นสุทาวาต น, นะได้เป็นพระอนาคามีแต่ท่านยังไม่ได้อะไรไปทําความเพียรด้วยกันที่ว่าไปทําความเพียรที่ภูเขาเอาไม้ไปพาดขึ้นขึ้นไปแล้วไปตั้งใจอธิษฐานเอาะทํำไมไ่ ไ, มได้ท ำ, มทำไม่ได้ธรรมะธรรมะได้ก็ได้าำท่านไม่เป็นพระอาหารหันต์เพราะนั่นเถิยอมปวดยอมตายตั้งใจ บ, บําเพ็ญเอาตายเข้าแรกเลย เราะว่ามันไม่มีที่ลงมันน่าจะเป็นหินก้อนหินขึน้นใสาไม้พาดไม้พาดขึ้นพาดขึ้นไปแล้วก็ลงไม่ได้นอกจากกระโดดลงกระโดดรองก็ตายอีกไม่ลงบางองค์ก็ตั้งใจภาวนายังไม่ถึงตายก็ได้เป็ีนพระอรหันต์ก็เหาะไปบิณฑบาตมาฉันได้บางองค์ก็ได้เป็นพระอรหันต์มีดิ์มีเดชเหาะไปบิณฑบาตมาฉันได้บางองค์ก็ได้เป็นพระนาคามีแต่พระภัยยะไม่ได้อะไรยังไม่ได้อะไร พอมาชาสุดท้ายเนี่ยท่านมาเกิดในตระกูลแพทย์แพทย์หมายความว่าพานิชทําการค้าไปทางเรือเรือแตกเรือแตกทําการค้าค้า ข, า, ขายไปมาระบาดท่าเรือท่าสุ ป, ปารกตที่เรียกว่าสุ ป, ปารกตเมืองสาวถีนี่แหละท่าสุ ป, ปารกตไปทางเรือน่ะไปคราวนั้นเรือแตกเรือแตกห่างจากท่าสุ ป, ปารกตผลิตได้ไม้กระดานแผนหนึ่งก็เกาะลอยมา หมูก็ เ, เนี่ยจมลงไปหมดตายเป็นอาหารปลาหมดแต่ท่านสามารถมีชีวิตได้เกาะกระดานแข็งเดียวมาผ้พาพันรุดด้วยหมดด้ยวยแตัวลอยมาลอยม า, มามาถึงพอมาถึงท่าสุปรารักษาก็เหนียดเหนื่อยเมื่อยล้าหอยหิวหว้อยเต็มทีเต็มทนขึ้นไปนอนแผ่อยู่ดีที่หาดทรายอยู่ข้างๆนั้นก็ไปเห็นมีศาลาเล็กๆ ก, ก็ไปอาศัยที่ศาลาแล้วก็ร่างกายไม่มีอะไรมาปกมาปิดเกิดความละอายบ้างก็เลยไปหาใบไม้มาปกมาปิด เอาเปลือกไม้มาปูมาปิดคนก็เอาอาหารไปให้เอาอาหารไปให้เพราะคนทั้งหลายนีย่คิดว่าโอ้คนลักษณะนี้แบบนี้นี่แหละพระอรหันนี่แหละพระอรหันเราก็เอาอาหารไปเอาเสื้อผ้าไปให้เพราะหนักหนักเข้าเห็นประโยชน์ใ น, นนในการนุ่งเปลือกไม้เห็นประโยชน์ในการนุ่งใบไม้เขาเอาผ้าไปไปให้ไม่รับกลัวเขาจะว่าไม่ใช่พระอรหันเขาจะไม่เอาอาหารมาให้ม่ให้บริทั้งเพอหนักหนักเข้ า, ๆๆขาเลยสําคัญตนว่าเป็นพระอรหันนี่เเนี่ยพระพายยะเนี่ย ไปดูประวัติพระาพยายยทีนี้ก็หมู่เพื่อนที่เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันนะ่ะที่ไปอยู่สวรรค์ชาตสุทาวานะท่านก็เห็นโอ้พัยยะ น, นี่จะไปกันใหญ่แนละ้วจะหลงตัวเองหลงตัวเองไปกันใหญ่แล้วลอกโลกเลี้ยงชีพไปกันใหญ่แล้วกนะ็เลยลงมาลงมาเทศลงมาบอกโอ้ยนี่ไม่ใช่ทางความเป็นพระอรหันต์หรอกท่านยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ใช่ทําตัวแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้พระอรหันต์มีเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้ว ท่านอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นบอกพายะพอพระพระายะก็เลยระลึกได้โอใช่เราเนี่ยทาอย่างนี้มันเป็นการหลอกงโลกเลียงจีบเลยเลี้ยวไปหาพุทธเจ้าเนพุทธเจ้าน่าจะพักอึู่ที่เชียทวันนี้พอไปก็เป็นระหว่างที่พระองค์บิดาบัดก็เข้าไปหาพระองค์ยาฟังธรรมะกระหายฟังธรรมะเต็มทีว่างั้นเด็ดขออากาศครั้งหนึ่งท่านก็ไม่ให้เรากําลังทํากิจอยู่ ครั้งที่สองท่านก็นไม่ให้พอครั้งที่สองท่านก็ไม่อนุญาตคือไม่อนุญาตคือขอให้ท่านแสดงทําให้ฟังเรากําลังทำธุรายอยู่เรากําลังบินทบาตอยู่พระองค์กาลังบิณฑบาตอยู่ก็จริงแต่ว่าถ้าพระองค์เนี่ยไม่รู้ว่าการเวลาไหนที่ข่าพระองค์จะตายอย่างนั้นจะนหมดลมหายใจเข้าออกจะตายจะพลาดจากโอกาสจะพลาดจากประโยชน์อันยิ่งใหญ่ี่ไปฟังดูในประวัติบางแห็นมีการโต้มีการโต้กับผู้ทิจใจอย่างนี้นะตัวว่าไม่แน่ใจในชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตีจะตาย วันตายครุ่งตายอะไรเมื่อไหรอยากฟังธรรมะเร็วๆเลยขอโอกาสเป็นครั้งที่สมพุทเจ้าโปรดแสดงธรรมให้ฟังพุทเจ้าแสดงธรรมให้ฟังพายะเธอจงเห็นสัตว์ไดว่าเห็นได้ยินสัพว์ไดว่าได้ยินได้กลิ่นสัพว์ได้ว่าได้กลิ่นได้รสสัตว์ได้ว่ได้สัมผัสสัตว์ไดว่าได้สัมผัสสัตเ์ไดว่าสัตว์ได้ว่าพวกเราฟังเข้าใจมันคำว่าสัตว์ได้ว่าสัตว์ได้ว่าคำว่าสัตว์ได้ว่า่หมายความว่าจิตใจมันซึมซื้อมันซับ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 ในกิจของเราเนี่ยสติกับสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้านเป็นผู้มีบุญบารมีมาแล้วเนี่ยสติสัมปชัญญะของท่านมีพร้อมบัญญาตของท่านมีพร้อมในระหว่างที่ฟังเทพพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศจบหนึ่งคาถาท่า น, นั้นเองได้บรรลุ ป, ปั๊บทันทีเป็นพระอรหันต์นี่พระภายญานะพุทธเจ้าเลยให้ชื่อว่าเลิศกว่าพิสุทโงหลายประเภทบรรลุธรรมเร็วขิปปาพิญญาเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านก็คงจะ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 หรือรับไว้บรรลุทั้งกี่กับกี่กันมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านชี้อย่างนั้นชี้ยังไงก็เห็นอย่างนั้นเลยกลายเป็นเห็นสัพเทวาเห็นได้ยินสัพเทวาได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสัพเทวาได้รสได้สัมผัสเท่านั้นเองนี่จิตใจเข้าถึงระดับธรรมชาติเป็นภาริยะบุคคลหมดพโมกชาติระดับเป็นพระอรหันต์นะรับปุบปับบรรลุทันทีนี่คือระดับของจิตใจปิจใจที่เกี่ยวข้องคือปัญญาแหลมคมของท่านฝึกฝนอบรมมาแล้ว อันนี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ประเภทว่าเจ็ดขวบเนี้ยเป็นพระรหันเช่นอย่างบัณฑิตสมณเณรเนี้ยอายุเจปีเป็นพระรหัน mm hmm. ก็ท่านฝึกมาแล้วสังกิจจาสมณเณร น, นี่ยนะสังกิจจาสมณเณรเนี่ยแม่ตายท้องกลมสังกิจจาเนี่เป็นทารกอยู่ในท้องแต่ว่าใกล้จะครบใกล้จะ ค, อ ค, จะคอลอดแล้วแหละแต่แม่ตายแม่ตายเขาเอาไปเผาทั้งหมดอ่ะทั้งแม่ทั้งลูกเผาอยู่ในกองฟอนเนี่ยนะอยู่ในกองไฟเนี่ยด้วยบุญบา ร, รมีที่เรียกว่า บารมีความจะได้เป็นพระอรหรันเนี่ยไฟไม่สามารถจะไหม้ท่านสังกิจจาเนี่ยนะสัพปปเพอร์เอาไม้ไปขีดขียดขี ย, ยไปถูกหางตาท่านทําให้หางตาท่านเนี่ยเป็นบาดเป็นแผลหน่อยหนึ่งเป็นตําหนิว่างั้นเถิดเลยได้ได้ชื่อว่าสังกิจจาสังกิจจาผู้ที่มีบุญมีบารมีมาแล้วขณะอยู่ท่ามกลางกองไฟไฟยังไม่ครอบตายแม่กระถูกไฟไหม้ไปท่านสัพปปเพอร์ไ้อาออกมาแล้วไปเลี้ยงเลี้ยงโตขึ้นมาเป็นบุเป็นสมณะ บวชเป็นบวชเป็สมณีนอายุเจ็ดขวบเป็นพระอรหันพวกนี้พวกบุญบา ร, รมีเต็มเปี่ยมนะบะมันดิตสมณนสังกิจจะสมณีสโสปาตาสมเณีราหุนสมณนอย่างเงี้ยบางทีราหุนสมณนรพระราชวรรณของทระเจ้าอายุเจ็ดขวบได้เป็นพระรหันคือบุญบา ร, รมีท่านเต็มเปี่ยมแล้วพวกเรารู้เลยว่าพวกเรามีบุญบา ร, รมีนั่นแหะ อยู่่าำกลางข้อกปฏิบัติที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้บอกวิธีทางที่ดีวิธีที่ดีที่สุดวิถีที่รักวิธีที่ตรงวิถีที่แน่าไปสู่เป้าที่เราต้องการเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานมัชฌิมองแปรประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญามัชฌิมองแปรพรงคตรัสไว้ในธรรมจักรกับปวตนะสุขท่านทำหนิการสุขาลิการโยกท่านทำหนิอัตตกิลมัทานโยก การมสุขาภิกาลนิยคประกอบตนเกี่ยวข้องกับกามเรายิ่งเกี่ยวข้องเท่าไหรเหมือนกับเรายิ่งเอาปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ต้นไม้ก็ยิ่งเจริญงอกเลยเหมือนเราต้องการให้หญ้าตายเอาปุ๋ยไปใส่ใมันมันก็ยิ่งเจริญงอกเลยเจริญงอกงาการปวพันในกาลกามเป็นอาหารเป็นเหยื่อของกิเลสเรายิ่งพาะพูนปวพันไปเท่าไร่กิเลส ก, ก็ยิ่งเจริญเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติทุกอย่างที่เราปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลมันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดัดแปลหรือขัดเกลา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 นึกไปนึกมาอ้าม e ันไปทั hey, ้งวาจามันไม่ใช่นึกเฉยๆเด้มันประกอบไปพร้อมกันหมดนับเห็นไหมลองนึกบ่อยๆครับลองนึกแยกเดียวแล้วมัดับไปมันก็จะเป็นไปไม่ได้คือยิ่งนึกบ่อยๆนึกบ่อยครั้งเข้านี่ยนึกถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องพยาบาทอาฆาตเคียดแทนคนที่จะไปแก้แทนไปฆ่าคนนึกไปนึกไปนึกไปนึกไปแค้นเข้าแค้นเข้าเคียดเข้าเคียดเข้าเครียดแบบลุกขึ้นหาอาวุธหาหมูหาพวกหาวุอะไรเอาไตดิบตีหรือห่ะรสิ เป็นงั้นนี่คือกิเลสราคะก็เป็นเรื่องของกิเลสโทสะก็เป็นเรื่องของกิเลสโนภะก็เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตเราดูออกไหมเราดูออกเราดูความอยากพิจัยของเรานั่นแหละมันอยากเกี่ยวกับเรื่องการนะนั่นแสดงว่ามันพลิกจิตของเราให้ไปเป็นลูกสมุนมันลนะบางทีมีใครมาขัดมาขัดคอนะมากรีดมาขวานเะนี่ยเกิดเครียดขึ้นมาละนั่นไปทางของมันนะเข้าทางของมันนะราคะโทสะ เรายิ่งบำรุงบำเรลไปเท่าไหร่ครับราคาก็ยิ่งเจริญโทรศัพท์ก็ยิ่งเจริญโมหะก็ยิ่งเจริญการประกอบตนโพพันในกาบรู้ที่เจ้าท่านเี็ว่ามันใหญ่ทางเป็นทางที่เลวท่านบอกเป็นทางที่เลวนี่โนคำโมเป็นทางของผู้ครองเรือ น, นทางนี้เป็นทางของผู้ครองเรือนอัตตกิรมณาธรโยกก็คือทรมานกายโดยที่แท้จริงกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ตายมันอยู่ที่ใจกายเป็นผลผลของกิเลสตั้งหา เนื่องจากว่ากิเลสมีอยู่ภายในจิตนั่นแหละมันต้องไปหารูปหานามไปเกิดที่ไหนมันก็ต้องไปเกิดให้มีรูปให้มีนามจิตคืนนามนามธาตุเป็นธาตรู้มันจะต้องไปอาศัยรูปประธาตุเพื่อที่จะออกไปทําอะไรได้ตามใจชอบเ พ, พื่อหาผลรายได้ให้กับมันหาผลรายได้ให้กับมันแท้ที่จริงถ้าเราพิจรารณาดูห้ชัดเจนลงไปแล้วจิตเนี่ยหลงหลงมากห ล, ลงงมงายหลงตัวเองมากมายทีเดียวทัทง้งๆที่ตัวเอง ไม่ได้อะไรแล้วเชนอย่างเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับโทรศัพทเนี้ยไม่ได้อะไรเลยหรืเช่นอย่างเราบริโภคเนี่ยบริโภคอาหารอาหารมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องกายผเหตุผลของกายแต่พอเราบริโภคไปแล้วอันนั้นเดียร์ น, นี้เดียร์นั้นแซบอันนี้อร่อยเราก็ใส่ลงไปจิตก็มีความยินดีรู้ว่ารสชาติดีรู้ว่าอิ่มรู้ว่าอะไรแนั้นเองเพียงแต่รับรู้รับทราบเท่านั้นเองแต่ผู้หิ่มแท้ๆคือร่างกายเป็นผู้อิ่ม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 แต่ว่าผลได้ได้เป็นเรื่องของกายทั้งหมดจิตก็ไม่ได้อะไรทีท่เทียงแต่รับรู้ทราบรับทราบแล้นรั บ, บ, ร บ, บ, รบแม้จะเกี่ยวกับเรื่องกับราคะจิตก็ไม่ได้อะไรอีกเท่าเดิมเหมือนเดิมอะไรเกี่ยวข้องกันไปสัมัสสัมพันธ์กันไปท่าอะไรต่างๆจิต ก, ก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเที่ยว่าเหมือนกับหมาแทะกระดูกหมาแทะกระดูก ดูกมันไม่มีอะไรเนื้อหนังอะไรมันก็ไม่มีในรกระดูกแทะไปแทะไปแทะไปแทะไปแทะไปแทะบอร่อยน้ําลายของเจ้าของเองไม่มีอะไรแทะไปแทะไปแทะไปไม่ได้อะไรไม่มีเนื้อไม่มีอะไรแสบน้ําลายของเจ้าของเองอมาแทะกระดูกกิเลส ท, ที่มันล่อใจของเราชิาา้นเดียวคนนึงมันล่อมันล่อใจทีนี้วิธีแก้แก้ที่สิ่งอาศัยมาแก้ที่กระดูกให้รู้ว่าเป็นกระดูก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 ใช้สตเข้ามาใช้สัมผัันยะเข้าม า, า, ก, มากำหนดจดจออ่อเข้ามาให้เห็นเป็นสัจธรรมมันเป็นการไปแผดเผากิเลสเหมือนกับว่าเป็นการไปชักไปล้างกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตสภาพของจิตที่เคยสศร้าหมองกลีสิ่งต่างๆเหล่านั้นในเมื่อมันถูกตกระทำแผดเผาเข้าไปมันก็เริ่มปวดก็ไปหายก็ไปเหมือนกับว่ามันถูกขับถูกต้อนถูกขับถูกต้อนเพื่อต้อนเพื่ในสุดเราเหือดแห้งหายไปจางหายไป สิ่งเหล่านั้นเป็นกลเป็นอุบายเป็นมายาที่เกิดขึ้นภายในกิจเป็นมายาของกิจคือจิตคือผู้รู้หรือธาตุรู้ที่ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เกา่าที่เราเราพูดถึงเนื้อหาของรูปธรรมเราพูดถึงเนื้อหาของนมามธรรมความเกี่ยวข้องความลุ่มหลงระหว่างรูปธรรมกับนมามธรรมที่เรามาเกี่ยวข้องที่เรามาลุ่มหลงด้วยอำนาจของกิเลสทีนี้การทํางานยังไงที่จะทําให้เกิดผลทําให้ได้ผล เราก็เอาหลักสามหลักนีมาเทียบเราก็จะได้ข้อคิดที่ดีที่ดีเหมือนกันการทําร่างกายให้เหนืนน่อยเหนื่อยเปล่าทักกิเลมมันถามมโยงอันนี้คือทรมานกายให้เราทราบว่าทรมันกายเพื่อที่จะให้กิเลมมันแห้งไปมันเป็นการมันเป็นการแก้ผิดมันเป็นการชัดผิดมันเป็นการล้างผิดชำระผิด ถ้าพูดถึงว่าเราฆ่าสารพิษเนหมายว่าเราตีผิดเราจำเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสารพิษแท้ไม่ใช่ตัวสารพิษแท้น่ยมันอยู่ภายในใจกิเลสตัวแท้จริงของมันอ่ะมันอยู่ที่ใจร่างกายเราร่างกายท่านเป็นผลผลของมันเตัางหากเปเกิดที่นูนน่นเกิดที่นี่เกิดเพราะรุ่นเกิดเพราะนี่ต้องมีรูปธรรมต้องมีนามธรรมไปเกิดรูปพฤรรมของเราเป็นวิบากกรรมวิบากเป็นกรรมวิบากรร ธรรมกามะวิบัติคือผลเกิดขึ้นจากกรรมที่เราเอ้เราทำมาให้เป็นเหตุให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์เป็นหมูเป็นม้า เ, เป็นไก่ช้างมา้าวัวควายแต่ว่าจิตผู้รู้คือธาตรู้ก็เหมือนกันเหมือนกันกับเราเลยแต่เขาได้คุณสมบัติขาดความรู้ขาดความเขาาม้าใจขาดสติขาดปัญญาก็เป็นเหตุที่ว่ากรรมของเขามันทับถมเขาเองมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละ แล้วไปได้ตามอำนาจของกรรมของไขวของเราไปถ้าเราละเอียดขว่นี้เราก็เป็นคนแปลว่าด้วยสติด้วยปัญญาได้ยินไดฟังอัดธรรมอะไรก็เข้าใจรู้ทั่วถึงอัดธรรมได้อย่างรวดเร็วหรือไม่เราได้อัดกระพาที่ละเอียดประณีตขึ้นไปก็ไปเป็นโทวดาชั้นนุ่นชั้นนุ่นชั้นนุ่นชั้นนุ่นกายที่ละเอียดประณีตขึ้นโดยลำธรรมชั้นพรหมชั้นรูปกระรหมชั้นอรูปกระพรห ม, รปปรรมหรือไม่นุ่นพรหมชั้นสุธทธาวาส มันก็ได้ละเอียดไปตามภูมิตามคุณสมบัติของจิตมันก็จะได้ไปอย่างนั้นนี่ร่างกายเป็นวิบากเป็นกรร ม, มวิบากของใจ<ม>เพราะใจมีกิเลสท่านจังให้ตีต้อนขับไปที่จิตขับไปที่จิตเอาสติเอาปัญญามาพิจารณาขัดกล่าวไปเรื่อยกะปะทำเผาไปเรื่อยเผาไปไหนจัก็คือเดไปแห้งไปหายไปแล้วก็จบแล้วก็หมดสิ้นไปได้ ด้วยเหตุที่กิเลสมันอยู่ภายในจิต น, นีะมันทําให้เกิอดอุ ป, ปาทานคําว่าอุปาทานนี่มันจะสง่งจิตไปเกาะไปเกี่ยวไปคล้องกับสิ่งนู้นกับสิ่งนี้ทีนี้ในเมื่อท่านหมดอุ ป, ปาทานแล้วท่านจะไม่ไปเกาะกับอะไรเลยในเมื่อไม่ไปเกาะไม่ไปยึดไม่ไปถืออะไรเลยแล้วมันไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะไม่มีที่ไปกลายเป็นจิตบริสุทธิ์จิตหมดปัญหาหมดสิ่งพาดีพาดอินหมดที่ยึดหมดที่เกาะ นี่ท่านถึงว่าหมดภพหมดชาติเพราะมันไม่มีภพที่จะไปเกิดแล้วก็ผู้ที่จะไปเกิดก็มันก็ไม่มีเพราะไอ้ผู้ลุ่มหลงที่พาลุ่มหลงไปเกินมันถูกเผาด้วยตะปัดทําให้เหือดแห้งหายไปหมดแล้วฉลาแล้วผู้รู้บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์หมดจดจากสิ่งที่เคลือบแฝงกิเลสมันเคลือบแฝเราพิจารณาย้อนหลังไปแล้วเราเห็นที่มันทุบตีบีทาเราเราต้องทุกขทรมานไปตามวันเราทุกข์ทรมานขนาดไหน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 ยิง่งยิ่งเพล่ยิ่งเพลินยิงย่งอะไรไปะอะไรดิ้นเดาเดาตายเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่สาคัญเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้ามารู้เข้ามาเข้าใจตรงนี้โอกาสที่จะมารําระขัดกล่าวนี้ยึ่งเป็นไปได้ ย, ยากพวกเราจึงเป็นผู้ที่เกิดมาท่ามกลางปฏิรูปประเทศอํากลางสามมาทิฏฐิมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีคําบอกคําสอนพระไตรปิกเต็มไปหมดมีครูบาอาจารย์เต็มไปหมดม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 ข้อปฏิบัติเป็ทางสายกลางเป็นทางตรงแนวไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้ sí yes, จ ones, okay, ริงแท้จร like so ิงหลุดเลยจากไอ้นี้ไปกระนุนหมดพ้นทุกพ้นโทษพ้เวรพ้นภัยพ้นวัฏจสงสารนี่ก็เป็นแนวคิดที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็เป็นแนวคิดให้เราได้กำลังใจแล้วก็ให้เราได้ได้ข้อคิดแนวอื่นอย่างอื่นเรื่องความเป็นไปได้กับความไม่เป็นไปได้ในข้อปฏิบัติของเรา เราสามารถจะชั่งตัวไเราเก้าวหน้าเพราะอะไรเราเนิ่นช้าเพราะอะไรเราเสียเวลาเพราะอะไรเราทึบทื่เพราะอะไรเราแผลพราวสว่างสวยเพราะอะไรด้วยเหตุใดไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องมาวินิจฉัยไข้ครวนมาสักมาฟ อ, อกมาชะมาล้างมาทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญาทมให้เกิดสัมปชัญญะธรรม ให้เกิดปัญญาธรรมและให้เกิดปัญญาญาณให้เกิดวิมุตติให้เกิดวิมุตติญาณทัศสนะตามท่านไปผู้ที่ท่านถึงท่านไปกันหมดแล้วแต่ท่านไม่ได้ไปไหนแล้วเพราะท่านดับธาตขันไปแล้วท่นานก็อยู่ในโลกลนั้นแหละท่ไม่ได้ไปไหนเพราะว่ า, าวัตถุทั้งหลายในโลกจะไม่สูนไปจากโลกธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่เราอาศัยอยู่นี่แบก็ไม่สูนไปจากโลก มันเผาไฟสลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟธาตรู้ผู้บริสุทธิ์เนี่ยเาเรียกว่ามโนธาตุมนมนธาตุในเมื่อเราชำระสิ่งที่มาเคลือบแฝงหมดไปแล้ว<ม>ก็ไม่สูญไปจากโลกพรพุทธเจ้ายังอยู่เกียวข้ากวกเราเพราะฉะนั้นทา่านที่ให้พวกเราหยดพระพุทธเจ้าป ร, ระทรมประสงค์แทนพระโอษฐ์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมพระไมะ่ไม่หามาไปไหนและผู้รู้ที่บริสุทธิ์จริงๆนั้นก็ไม่ไปไหน เหมือนอย่างที่ดงตาท่านเคยเทศน์ใฟังพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะเข้าสู่พระพุทธิพานท่านจะเข้าเข้าฌานท่านถือว่าฌานสมาบัติถือว่าเป็นสมุติพราะนับพระจิตของท่านเข้าไปฌานที่1นึ่ฌานที่2องฌานที่3ามฌานที่สี่พระองรับนําดูตอนอยู่ในฌานเห็นพอหายจากฌานที่1เห็นมาปรากฏที่ฌานที่สองก็แสดงว่าขยับจากฌานฌานที่2มาฌานที่ฌานที่1มาฌานที่2เข้ามาฌานที่3เข้ามาฌานที่4แล้วก็ไม่เห็นในฌานที่สี่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 ไม่ใช่ตัวจิตแท้เป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ใช่ตัวจิตแท้ท่านกระทับอยู่ที่โน้นที่ฌานส ม, มาแล้วก็ถอยมาอีกมาเข้าอารมณ์ฌานแล้วก็มาเข้ า, ารูปฌานถอยลงมาจนถึงปฐมฌานแล้วก็ออกมาเป็นไปจิตธรรมดาอางเนี้ยนะอาศัยรูปอริสภูบริสุทธิ์ภัดพินพัดพินฌานาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อันนี้เป็นข้อเทียบเคียงนะ สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมทําให้เราคิดว่าข้อปฏิบัติของเราเป็นไปได้ทำให้เรามีกำลังใจในการที่เราจะทั้ง อ, อกทั้งใจทําเก็บเล็กผสมด้วยทําไปด้วยอุตสาหะด้วยวิริยะด้วยฉันทัะความพึงพอใจทําอย่างมีกําลังจิตมีกําลังใจทําอย่างหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับสิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมเราได้เหมือนกัน พอท่านจะปพระจิต ธ, ธรรมดาเข้าไปชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่พอออกจากชั้นที่สี่อรูปใชั้นท่านไม่เข้าพอไม่เข้าก็เลยไม่ทราบเลยพระรูปธรรไม่ทราบไม่ทราบว่าพระจิตที่บริสุทธิ์ของท่านที่เคยพลาดผิดอยู่ไม่รู้ไม่ทราบหายไปไหนท่านเทียบเหมือนกับเปลวไฟเนี่ก็เหมือนอย่างเปลวเทียนเราเป่าลมใส่ฮึเปลวก็ดับไปดับไปเลยไม่รู้ก็อยู่ที่ไหนทราบไม่ได้ จิดที่บริสุทธิ์ที่ออกจากสมมติอนะไะพอออกไปแล้วเราไม่ทราบว่าวท่านอยู่ที่ไห น, นผู้ได้อย่างเดียวว่าปริมิพานดับรอบดับรอบดับดับอะไรดับรอบเลยปาริมิพานนะพอสมควรแล้ว